ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่โคราชรายการสัสนิยมสนทนานะคะดิฉันนท์ศรนาคพง์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเราเอาอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM ฟเอร้เพื่อที่ให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เข้าถึงสิ่งที่พระาศาสดาได้ตรัสสอนเอาไว้นะคะแล้วก็มีพระอาจารย์พยบุญอภิปุณโญจะมาเป็นผู้ถ่ายทอดส่วนในช่วงตอนต้นของรายการที่ฉันอยากจะกราบเรียนเชิญท่านทั้งหลายที่มีความสนใจว่าจะเข้าถึงทําให้ ถึงภาคปฏิบัติด้วยก็จะให้มีการนั่งสมาธินะคะปฏิบัติสมาธิในตอนช่วงต้นของรายการเลยภายใต้การนําของท่านเพิบุญนั่นแหละนะคะซึ่งจะเป็นพระสูตรใดๆที่มาอ่านให้ฟังพร้อมๆไปกับที่จะให้ท่านปฏิบัติธรรมนั้นก็ติดตามกันเตรียมตัวไว้ก่อนขอพูดเรื่องหนึ่งนะคะได้ไปเชียงใหม่มาได้ไปเยี่ยมสมักงานของกรมธนารักษ์ธนารักษ์จังหวัดอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัด เชียงใหม่สำหรับที่นั่นก็ถือว่าเป็นสำนักงานที่ทันสมัยมากเป็นสำนักงานต้นแบบที่อำนวยความสะดวกประชาชนเฉกเช่นกับหน่วยงานของเอกชนทั่วๆไปเลยใครที่มีความสนใจความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบนะคะไปที่นั่นบริเวณจุดที่ให้ไปติดต่อเป็นด่านแรกเขาก็จัดแสดงเอาไว้ลักษณะเหมือนกับเป็นนิทรรศการที่ทันสมัยมากนะคะอยากจะให้มีโอกาส แวะเข้าไปชมกันแล้วก็นอกจากนั้นในช่วงของการที่ประชาชนจะเข้าไปติดต่อรับบริการก็จะสะดวกสบายมีการจัดให้ได้รับบัตรคิวแยกแยะตามแต่ละแผนกแผนกไปจะไปแลกเหรียญก็สะดวกสบายจะไปติดต่อเรื่องที่ดินราชวะสะัสดุคือสรุปแล้วอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ที่จังหวัดเชียงใหม่มีสานักงานต้นแบบค่ะมาถึงเวลาที่จะ ปฏิบัติธรรมกันแล้วนะคะเราไปกราบนัส ก, การพระภบูรอภิบุรโนกันเลยค่ะ น, นักสการะท่านคะเชิญพานค่ะในเรื่องของการปฏิบัติวันนี้จะได้ให้ใรกล้ครวนประสูตรหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของสติปัฏฐานสีแลนะโดยการที่ให้เราตั้งสติเอาไว้ก่อนนะโดยการที่ให้มาระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกในขณะที่เราระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะก็มาฟังพุทธพจน์ ที่พระเ้าได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ภิเศษทั้งหลายประเทศแห่งขุนเขาหิมะผ่านอันเป็นประเทศที่ขุกระไม่สม่ําเสมอไปลําบากไม่เป็นที่เที่ยวทั้งของฝูงลิงและของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่และที่เป็นที่เที่ยวไปของฝูงลิงแต่ไม่เป็นที่เที่ยวไปของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่ และภูมิภาคแห่งภูเขาหิมพานที่ราบเรียบเป็นที่น่ารื่นรมซึ่งเป็นที่เที่ยวไปได้ของทั้งฝูงลิงและของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่ในที่ลักษณะนั้นแหละนายพรานเขาจะวางต่างเหนียวไว้ในกลางทางเดินของลิงเพื่อดักลิงบรรดาลิงฝูงใดในลิงฝูงนั้น ตัวใดตัวหนึ่งไม่เป็นชาติลิงโง่ไม่เป็นชาติลิงโลเลลิงนั้นเห็นต่างเหนียวนั้นแล้วย่อมเว้นออกแต่ไกลทีเดียวส่วนลิงตัวใดเป็นชาติลิงโง่เป็นชาติลิงโลเลลิงนั้นก็เข้าไปใกล้ต่างเหนียวนั้นก็เอามือจับดูเมื่อมือนั้นจับอยู่ ก็ติดตั้งมันจึงเอามือข้างที่สองจับด้วยตั้งใจว่าจะเปลื้องมือข้างที่ติดตั้งนั้นออกมือข้างที่สองนั้นก็เลยติดตั้งเข้าด้วยมันจึงเอาเท้าข้างที่หนึ่งผลักออกด้วยตั้งใจว่าจะช่วยเปลื้องมือข้างที่สองที่ติดตั้งนั้นออกเท้านั้นก็ติดตั้งด้วย มันจึงเอาเท้าอีกข้างหนึ่งผลักด้วยตั้งใจว่าจะช่วยเปลื้องมือทั้งสองกับเท้าข้างที่1นึ่นั้นออกเท้าข้างที่สองนั้นก็เลยติดตั้งเข้าอีกในครังนั้นมันจึงเอาปากกัดด้วยคิดตามประษาของมันว่าจะช่วยเปลื้องมือทั้งสองและเท้าทั้งสองที่กําลังติดตั้งนั้นอยู่ออก แต่ปากนั้นก็เลยติดตั่งเข้าอีกด้วยลิงตัวนั้นถูกตั่งเหนียวตรึงอยู่ในอวัยวะห้าอย่างนั้นแล้วก็นอนทอดถอนใจได้ถึงความพินาศย่อยยับแล้วตามแต่นายพรานจะทําประการใดนายปรานจึงแทงลิงตัวนั้นแล้วยกขึ้นจากตัง่งไม่ยอมทิ้งที่ไหนลีงไปสู่ตามที่ต้องการ พิสุทั้งหลายเพราะข้อที่ลิงเที่ยวไปในถิ่นอื่นซึ่งไม่เป็นที่ควรเที่ยวไปจึงได้เป็นอย่างนี้ประเหตุ น, นั้นพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปเมื่อเที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปมันจะได้โอกาสจะได้ช่อง จะทำตามอำเภอใจของมันได้ปีสุ้งาลายก็วิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปของเจนนั้นคืออะไรเล่านั่นคือการกุลทั้งห้าได้ แ, แก่รูปที่จะเห็นได้ด้วยตาเสียงกลิ่นรสหดระเบและธรรมารมทั้งห้าอย่างนี้อันเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่ น่าพอใจเป็นที่ยยนตาเยนใจให้เข้าไปรักอันเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความกำหนัดย้อมใจนี่เป็นวิสัยซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปของเธอเลยเมื่อเธอจะเที่ยวไปควรเที่ยวไปในที่ที่เป็นวิสัยของมิดาตนเถิดในที่นั้นเมื่อเธอเที่ยวไปอยู่ม่านจะไม่ได้ช่อง จะไม่ได้โอกาสจะไม่สามารถทำทาอำเภอใจของมันได้เลยที่ที่เป็นวิสัยของบิดาตนสำหรับที่จะเที่ยวไปนั้นก็คือสติปัฏฐานทั้งสี่อย่างนี้แหละค่ะคือสรุปแล้วลิงมไม่รู้ว่าที่นั้นคือรู้รู้ว่าไม่ควรไปแต่ไปใช่ไหมคะก็เลยไปตีปังใช่คือคือไปแล้วเนี่ยถ้าฉลาดก็รอดใช่ไหม ถ้งโง่ก็ติดตังทีนี้ที่ที่เพลิดเพลินเที่ยวไปได้ที่พระเจ้าแบ่งไว้เป็น3ส่วนไล่มาตั้งแต่ที่ที่ว่าไปยากทั้งคนและลิงไปไม่ได้ที่ประเภทที่2นี่ก็คือเฉพาะลิงไปได้คนไปไม่ได้ไอ้ที่ประเภทที่3นี่แหละที่ว่าทั้งลิงและคนไปกันได้นายพรานเขาเจ้าที่แบบเนี้ยเป็นที่ที่ดักลิง โดยการที่รอลิงที่รอลิงที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่มาติดกับดักนั่นเองค่ะเหมือนกันนะภิกษุหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติจะต้องคอยระวังนะอย่างสมมุติถ้าเราเปรียบเทียบในที่3สิ่งนี้ที่3สิ่งเอาเอาที่แรกก่อนนที่พูดถึงว่าที่ที่ลิงเที่ยวไปได้แต่ว่ามนุษย์เที่ยวไปไม่ได้ก็อย่างอย่างชีวิตของพระสงฆ์นี้เป็นต้น ในการที่จะไปะกินข้าวเย็นไปเที่ยวผับทเที่ยวเทคอ่านี้ต้องถูกปิดกั้นละในเรื่องของกามก็จะลดน้อยลงนะส่วนที่เที่ยวไปได้ทั้งของลิงและของนายพรานล้วก็อย่างเช่นความกินในทางกามอันนี้พระยังคิดได้อยู่แต่ซึ่งตรงนี้อาจจะถูกกับดักของนายพรานได้ตรงนี้ที่ประชาให้ระวังสำหรับผู้ปฏิบัติด้วยนะ่ถ้าแปลชัดๆเลยค่ะ ที่ที่ไม่ควรไปเนี่ยคือที่ไหนเหรอคะสำหรับเร า, เร า, เราท่านๆ่นคือความคิดในทางการพยาบาทและเบียดเบียนที่ที่จิตของเราไม่ควรจะไปนั่นคือพระเจ้าสอนเรื่องจิตนะคุณหยบเดีวสอนเรื่องถึงจิตว่า <c oughs> จิตเนี่ย เ, เวลามันจะไปก้าวลงในอารมณ์ไปความคิดรับรู้ถึงสัมผัสตาตๆหูจมูกลิน้นกายใจ <c oughs> คนพูดนั่นนี่ น, น, น่นจิตของเราเนี่ยอย่าให้มันไปลงไอ้ตรงที่อ ย, อยากอยาก่าไม่ควรจะไป ไอ้ลงตรงนั้นคืออะไรคือทางการพยาบาทเบ็ดเปลี่ยนอย่าไปลงตรงนั้นทําไมเพราะท่านลงตรงนั้นมันจะเป็นกับดักของมารเราจะได้รับอันตรายแล้วถ้าจะไปลงลงตรงไหนได้ก็ลงได้อยู่สี่ที่ลงที่กายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ธรรมก็ได้สี่ที่นี้เป็นที่ที่ลงได้เป็นที่ที่เที่ยวไปได้เป็นที่ที่อยู่ได้นอยู่แล้วจะเป็นยังไงค่ะ ช, ชื่อว่าเรามีสตินัน่นเอง อย่างเช่นว่าอยู่กับลมหาใจเนี่ยเพราะลมหาใจเป็น ท, ที่ที่มีทั้งกายเวทนาจิตตามอยู่ในลมหายใจของเราหมดนะ <c oughs> ที่น่าสงสารตรงนี้นะคุณโยมติ๋วถ้าเราลองใกล้กรุนประสูตรนี้ดูเนี่ยคือมันเอามันเอามือจับดูใช่ไหมมือมันติดแล้วเนี่ยมันก็คือด้วยความไม่ฉลาดก็เอามือข้างที่สองเอามือขวาจับดูเอามือข้างซ้ายไปช่วยที่จะดึงมือขวาออกมามือซ้ายก็ติดด้วยเนี่ยแม <c oughs> มันน่าสงสารจริงๆออันนี้บางคนอาจจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันนะครับออกมาก็มาเห็นแบบชีวิตของบางคนอย่างเงี้ย น, นั้นทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยคือสมมติเราเราทำผิดพลาดไปเช่นว่าเราโกหกครั้งที่1นไปะละแล้วคุณนั่นโกหกครั้งที่2เพื่อที่จะมาไปปิดบังโกหกครั้งที่1หรือยิ่งทําผิดมากขึ้นเพื่อที่จะไปทําให้ไอ้ความผิดครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับจะจางไปแต่มันยิ่งหนักขึ้นและนี่คือพลาดยังไม่ฉลาดจนเท่าไหร่ก็เอาเท้า ข้างขวานี่ไปเขี่ยวๆเพื่อที่จะให้ไอ้มือทั้งสอง ม, มันหลุดออกมาแล้วก็ประเดียวส่วนยิ่งทําผิดหนักเข้าไปอีกแล้เพื่อที่จะไปปิดบางสิ่งมันยิ่งหนักเข้าไปอี ก, นกจนกระทั่งตุกรัดรึงหมดนอนต้องนอนทอดถอนใจทำมาไดไม่ได้ก็เหมือนกับคนที่แบบทําผิดซ้ำๆซากๆคิดว่าทําผิดอันนี้เราจะไปแก้ไขมันก็ยิ่งปิดหนักเข้าไปหนักเข้าไปดังนั้นเร า, เราท่านๆจึงควรที่จะระมัดระวัง ไม่ให้พลัดหลงไปในทางของกามพยาบาทเบียดเบียนจะดูเหมือนกับว่าในทุกๆเรื่องที่เราเกี่ยวข้องอยู่ก็หนักไปทางกามมากนะคะคือหมายถึงว่ามันมีความปรารถนามีความต้องการมีความอยากและมีความไม่อยากไม่ปรารถนาไม่ต้องการอยู่ตลอดเวลา ส่วนเรื่องของพยาบาทนี่ยังเป็นรองลงมาเพราะบางคนเขาบอกว่าไม่ค่อยจะเป็นไความพยาบาทอืมอหรือว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องที่จะไปเบียดเบียนใครแต่กับเรื่องตัวเองเนี่ย้เรื่องอยากไม่อยากเนี่ยอืมมันเกิดขึ้นตลอดค่ะอืตรงนี้ต้องทําความเข้าใจแยกแยะนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดนอย่างเช่นว่าเรื่องของกามกับเรื่องของกามคุณแต่สมมุติว่าเราเจอสิ่งที่น่าพอใจเป็นสิ่งที่อยืนตายยนใจให้ใหรัก อันนั้นโอเคอยู่นี่ก็เรียกว่ากามบุคุณหนะ้เช่นว่ารถรหรูร้ เ, เงินมากๆชื่อสิ่งเกียรติยศพวกนี้เป็นสิ่งที่น่ า, าน่าเพลินตาน่าเพลินใจนะีเป็นสิ่งที่ยวนตายวนใจให้รักนะีเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความกําหนัดย้อมใจอันนี้มีเกิดขึ้นนะนี่ก็เรียกว่าวัตถุ ก, การรมหรือว่ากามบุคุณหเป็นสิ่งภายนอกอันนี้เป็นสิ่งภายนอกนะซึ่งแต่ละประเภทแต่ละประเทศแต่ละบุคคลก็จะเห็นในสิ่งนี้ไม่เหมือนกัน เนะี่ยเช่นคนจีนเขาชอบกินไข่เยี่ยวมะแต่ไม่ชอบกินเนยอย่างเงี้ยสิ่งนี้ก็จะไม่ได้เป็นสิ่งที่ยั่วยวนใจสําหรับคนบางกลุ่มนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งภายนอกเรียกว่ากามบังคุณหประเด็นคือตรงนี้คุณโยมติว่าไอ้กามเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกนะมันอยู่ในใจอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ถ้าเมื่อไร่เราเพลินในสิ่ง น, น, นั้นในเพลินในของที่มันจะเพลินได้เนี่ยถ้าเราเพลินกําหนัดยึดถือในสิ่งนั้นเมื่อไรพูดนี่แหละ คือเขาวางกับดักเอาไว้แล้วคุณเอามือไปแตะแมันติดนะเราจะพลาดแต่ไม่ใช่หมายว่าคุณเสพไม่ได้นะคุณก็ใช้ไปได้คุณก็ขับรถดีๆได้คุณก็รับตำแหน่งได้คุณก็รับเงินได้แต่ถ้าเราไม่กำหนัดอันนี้เชื่อว่าคุณมีสตินะแต่ถ้าคุณกำหนัดมือคุณติดต่างนะอันนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่จะเกิดขึ้นในใจเนี่ยเรียกว่ากามก็ไก่สราออมา้า พระพุทธเจ้าใช้คําอีกอันหนึ่งที่จะชี้ชัดแตกต่างก็เรียกว่ากิเลสกรรมกิเลสกรรมอย่าให้มันเกิดอยู่ในใจเนี่ยอันนี้คือชื่อว่าคุณติดกับดักต้องระวังการบุคคลห้าคือกิเลสกรรมไม่ใช่การบุคคลห้าคือวัตถุกรรมอ๋อคือวัตถุกรรมใช่แล้วกรรมที่มันจะทําให้ถูกต้องถูกต้องอันนี้อยู่ข้างนอกวัตถุการมหรือว่าการบุคคลห้าอยู่ข้างนอกแต่สิ่งที่เราต้องระวังคือในใจ ถ้าใจเรามีกามเฉยๆหรืออีกศัพท์หนึ่งก็คือกิเลสกรรมอันนี้ชื่อว่าเราติดกับดักของมารค่ะดิฉันคิดว่ากิเลสกรรมที่ท่านกําลังได้พูดถึงอาจจะสามารถที่จะยกตัวอย่างค่อนข้า ง, ง่ายในตอนนี้ออื <c oughs> คือในยามที่มีความเห็นแตกต่างอ <c oughs> ในบ้านในเมืองของเราเนี่ยเ <c oughs> ดิฉันว่า การที่เรามีความฝังใจเปนในทางเชื่อข้างหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นกิเลสกรรมได้ไหมคะแต่ถ้าให้ดิฉันตอบดิฉันวิเคราะห์เ น, นี่ยนว่าใช่เอาก็มีส่วนมีส่วนถูก ต, ต้องค่ะ<ม>ทีนี้อละ่ะถ้าเป็นเช่นนั้นจะทำอย่างไรคะที่จะไม่ทำให้กิเลสกรรมคือมีก็ <c oughs> มีก็ไม่ดีแล้วหรือว่ามีได้เป็นเรื่องปกติของโลกเพราะมันมีอยู่นะต้องต้องแยกแยะว่าอะไรมีอะไรที่ไม่มีนะาการมงคุณ5มีได้วัตถุการมมีได้นะกิเลส <คะ S 1> กรรมอย่าให้มีเนี่ยต้องละออกต่างกันยังไงหมายความว่ายังไงก็หมายความว่ า, าคุณใช้วัตถุนี้ได้นะเสพสิ่งนี้ได้นี่คือทางกามคุณ5ถูกไหมทางวัตถุการมคุณก็ใช้ไปสิคุณก็เสพไปสิไม่มีอยู่นะ ในใจอย่าให้มีกิเลสกรรมอย่าให้มีกรรมามบุญนาอย่าให้มีความเพลิดเพลินในสิ่งนั้นนะเพราะนั้นจะนําอันตรายมาแล้วต้องมีอะไรนั่นะคือจะไม่ให้อากิเลสก ร, รมมันเกิดขึ้นได้เนี่ยคุณต้องมีคเครื่องป้องกันนั่นก็คือสตินั่นเองเนะสติให้ใจเรามีสติอยู่ตลอดนะีคุณเสพสิ่งไดขับรถรับตําแหน่งใดๆก็ตามเนี่ยคุณมีสติพั่วตรงนั้นน่ะชื่อว่าคุณรักษาจิตและกิเลสเราไม่มี การไอกิเลสกรรมเกิดขึ้นใจเราไม่มีกิเลสกรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าผืว่าเราเรารักษาจิตด้วยสตินะมีสติอยู่เช่นอะไรบ้าง เ, เช่นว่าเราระลึกถึงว่าให้ฉันทำงานในตําแหน่งหน้าที่นี้รับเงินเดือนมาอ้าวฉันมีคุณธรรมระลึกถึงศีลของเรานั่นก็เป็นศีลานุสตนะิคือใช้ศีลเป็นที่ตั้งในการที่ใชใ้จิตนั้นไม่มีความเพลินในอะไรในตําแหน่งที่คุณได้มานะหรือว่าใช้ ความดีความงามของเราเช่นนึกถึงความที่จากานุสติหรือนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้เพื่อให้ใจของเราไม่เพลินในอะไรในเงินที่คุณรับเข้ามาในตําแหน่งหน้าที่เงินความสะดวกสบายต่างๆใจของเราเนี่ยก็จะได้รับการรักษานะคุณก็มีกรมกุณหะได้พุทธเจ้าดูสิมีผ้าอย่างดีมียาอย่างดีมีเสนาสนะอย่างดีแต่ใจนั้นไม่มีกิเลสกรรมนะเอิบอิ่มเพียรพร้อมด้วยกามกุณทั้ง5้าไหมใช่แต่ใจ ไม่มีกิเละสะกรรมนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเตือนคุณจมติวค่ะสติไม่มีกี่ประเภทศหรือคะเพราะเมื่อกี้เห็นท่านพูดถึงเรื่องจาค้าสตินะคะสติอันเรื่องแต่การที่บริจาคถ้าพูดถึงฐานที่ตั้งของสติเนี่ยโดยวิธีการาเครื่องมือใ น, นเครื่องมือที่จะใช้ในการปฏิบัติเนี่ยมีทั้งหมดสิบอย่างด้วยกันสิบอย่างอันเยียงชุดศีลานุสตินี่เป็นอย่างหนึ่งจาคานุสติเป็นอย่างหนึ่ง พุทธานุสติก็เป็นอย่างหนึ่งนี่คือแยกย้ายไปนี่คือเครื่องมือที่ทําให้จิตของเราเนี่ยมีสติทั้งหมดสิอย่างแต่ถ้าเราจะแบ่งประเภทของสติเนี่ยก็คือแบ่งเป็น4ี่อย่างคือกายเวทนาจิตธรรมจระพุทธเจ้าจารยิบารมีอย่างนี้อ๋อคะ่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันเคยมีคนถามถามคำถามว่าที่ตั้งของสติทั้งหนี่คืออะไรนะคะดิ้นก็เลยบอกว่า เออท่าที่ได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสเท่ที่รู้เนี่ยอืรู้แต่เรื่องสติปฐานสี่ว่ามีฐานที่ตั้งของจิตอยู่สี่อย่างแล้วสี่อย่างเนี่ยครอบคลุมทุกอย่างใช่ใช่ถูกต้องแต่ว่าถ้าจะจําแนกออกมา ด, ดิฉันก็กลังสับสนนะคะที่ท่านพูดเหมือนกับว่าอ่าถ้าสติปทานสี่ที่เนี่ยเหมือนกับท่านกําลังพูดว่าจําแนกเป็นสี่อย่างตามประเภทของฐานที่ตั้ง แต่ว่าอพอมาถึงฐานที่ตั้งขอจิตสิอย่างอันนั้นเป็นการชนะอย่างไรคะอันนั้นคือตามเครื่องมือที่เราใช้เครื่องมือที่ใช้ผู้ช่างปรียบเทียบของสติปัฏฐานสี่เนี่ยเหมือนกับอาคารอาคารหนึ่งเป็นศาลาหรือเป็นเจดีย์ที่มีประตูเข้ามาจากทางเหนือใต้ออกตกก็จะมารวมอยู่ตรงกลางในสิ่งที่เราต้องการในที่นี้คือสติอย่างเดียวนะคืออย่างเดียวเป็นธรรมอันเอกนะเป็นธรรมอันเอกเป็นทางสายเอกเป็นทางอันเอกอันเดียวแล้วก็มี ประตูเข้ามาจากสี่ทางก็คือกายเวทนาจิตธรรมตรงนี้เอาแล้วไอ้อ น, นุสติสิบอย่างนั้นคืออะไรอันนั้นเป็นเครื่องมือเครื่องมือที่จะทาให้คุณได้สติมาเช่นคุณใช้ลมหายใจคุณใช้พระพุทธเจ้าคุณใช้ศีลของคุณแต่พวกนี้เป็นตนน้นเป็นเครื่องมือที่ให้ได้สติมานั่นเนองมั้นสิบอย่างนี้คือเครื่องมือท่านพอจะ พูดถึงรายละเอียดของทั้งสิบเลยได้ไหมค ะ, ะว่าเครื่องมือทั้งสิบนั้นคืออะไรบ้างคะ่ะอันดับแรกนะาอัานดับแรกก่อนนะเพื่อให้เข้าใจได้ไปพร้อมๆกันคือพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังการนุสตินะคือร พ, พระพุตธปรรมพระสงค์ค่ะอันที่ถัดมาก็คือศีลานุสติจารกา น, า, า, านุสติเอาพุทธานุสติก่อนนะาอธิบายนิดนึงก็คือเรื่องของ การระลึกถึงพระพุเจ้าในการระลึกถึงในที่นี้ก็คือการระลึกถึงคุณงามความดีของพรพุทธจ้าระลึกถึงสิ่งที่พุะพุธเจ้าทำมาพระธรรมธรรมานุสติก็คือการที่อิติปิโสที่เราสวดนั่นแหละว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วบ l a bla bla ไปพิจารณาคุณของพระธรรมสังก็คือผูดที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติควรเพื่อที่จะรู้ทําเป็นเครื่องออกจากทุกที่สี่คือสีลานุสติ นะั่นคือการระลึกถึงศีลศีลของเราตรงไหนที่เราทําได้อย่างไม่ทะลุไม่ขาดไม่ดังไม่พร้อยก็ได้ข้อหนึ่งก็ได้นะศีลห้าศีลแปดได้ทั้งสิน้นนะั่นคือการทําอย่างเป็นปกติของเราแตนะคุณตั้งใจจะระลึกถึงนี้พวกสติคุณมาสันทีอยู่ในกายนะอันที่ห้าคือจากการนุสตนะิคือทานที่เราได้บริจาคไปแตนะ่คุณเอาไปอนุโมทนาที่เขาออกให้มาดูโอ้ฉันได้ทําทานอ่าจิกุลมีสติรักษานะอันที่หกคือเทวตานุสติ น่นคือการระลึกถึงคุณธรรมของเทวดาแต่ว่าคนที่จะมาเป็นเทวดาได้เนี่ยต้องมีศรัทธาศีลจาคะคปัญญา4อย่างนี้น่นคือเทวดานุสติเนี่ยไม่ใช่ใชเป็นนึกถึงรูปเทวดายอะไรเงี้ยนะไม่ใช่นะต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งแต่นึกถึงคุณธรรมที่ทําให้ใครสักคนใดคนหนึ่งมาเป็นเทวดานะซึ่งเขาจะต้องมี4อย่างนี้อย่างใดอ ย, งอย่างหนึ่งคือศรัทธาศีลจาคะคปัญญาเนาะมีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่ต้องมีครบหรอคะ ก็มากน้อยมากน้อยก็จะทำให้คุณสมบัติคุณธรรมของความเป็นเทวดานี้เลือดรู้ขึ้นไป <c oughs> ต่อไปข้อที่7คือบรณนะสติคือการระลึกถึงว่าเราจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาจะไม่ลงพ้นความตายไปได้ก็จะทำให้จิตของเราไม่ประมาทนี่ข้อที่7จแล้วข้อที่8นี่เราได้ยินอยู่เป็นประจำคือกายาคาตาสติกายาคาตาสติมีสติอยู่ในกายเช่นผมควรเลือกฟันหนังกระดูก อาการที่ไม่สะอาดต่างๆเหล่านี้นี้นนคือข้อท<ช>ี่แปดส่วนข้อที่9ก็คืออานาปานสาตินั่นคือการกําหนดสติระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกอที่เราเคยฝึกมาแล้วก็ข้อที่สิข้อสุดท้ายคืออุปัสสมานุสตินั่นคือการที่เราระลึกถึงความสงบระงับอุปัสสมานี่คือความสงบระงับในที่นี้ก็คือความว่างความเย็นความเบคาความที่เป็นนิพพานนั่นเอง ท่นคะถ้าเช่นนั้นท่านบอกมีเครื่องมือสิบอย่างและสิบอย่างนี้นี่ถ้าหากว่าแบ่งเป็นประเภทก็ไม่หลุดไปจากสี่ประเภทในสติปัฏฐานสี่ถูกต้องอย่างนั้นไหมคะถูกต้องอขออนุญาตเลยได้ไหมคะว่าหนึ่งสองสามสี่อันไหนยอยู่ที่กายอันไหนยอยู่ที่เวทนาอนไหนยอยู่ที่จิตอนไหนยอยู่ที่ธรรมค่ะ อ, อย่างที่ชัดเจนเช่นว่ากายาคตาสตินี่ก็คืออยู่ที่กายอันนี้คงจะชัดเจนอยู่ อนนาปานสติอันนี้พระพุทธาอธิบายไว้ว่าเป็นทั้ง4อย่างอนนาปานสติ เ, เป็นธรรมนเยมที่จะทําให้สติปัฏฐาน4ี่สมบูรณ์ขึ้นได้อานาปานสติก็เป็นทั้ง4อย่างศีลานลุสติถ้าจะให้ตมาพิจรารณาก็คงจะเป็นเรื่องของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในยูนิเวอรของธรรมะเป็นเรื่องของศีลจากการนุสติถ้าเราไประลึกถึงทานเป็นสิ่งของที่เราได้ให้ได้บริจาคไปก็คงจะเป็นเรื่องของธาตุสีน้ำไฟลมเป็นเรื่องของกาย ม alloy, ันก็จะต้องเป็นเรื่องของกายกัตสติใช่ไหมเป็นเรื่องของเรื่องของกายไปแต่ถ้าเราระลึกถึงการให้คุณธรรมคือทานตรงนี้ก็จะต้องเป็นเรื่องของธรรมะก็จะอยู่ที่ว่าเราเป็นระลึกถึงตรงไหนค่ะก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ประโยชน์จากสิ่งที่ท่านพิบูลได้พยายามบอกเราจากพระสูตรลิงติดตังว่าเราก็อย่าเคราะห์ร้ายแบบลิงอย่าได้ไปหลงในกิเลสการ นะคะแล้วก็มีวิธีก็คือใช้สติต่างๆจะได้ไม่ไปเพลินในสิ่งที่เป็นกิเลสกรรมนั้นถูกต้องถูกไหมคะถูกต้อ ง, งนะคะเนื่องจากว่าเวลาจะหมดเลยต้องรีบรวบรัดเช่นนี้กราบนมัส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะในบ้านนะคะเครื่องมือนี้ก็มีทั้งสิบอย่างจากทั้งหมดสี่ประเภทที่พระพุทธโธตรัสเอาไว้ในเรื่องฐานที่ตั้งของจิตที่เรียกว่าสติปัญฐาสี่พาเราไปวิมุติเลยได้นั่นนะคะวันนี้ก็จะต้อง บอกว่าลากันไปก่อนเพื่อที่จะมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ตั้งค่าให้ดีนะคะเปิดมาเช้าๆเลยจะได้มาปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตอนต้นรายการกับพระภับูลอภิปุลโนเพื่อเป็นการที่จะสร้างกุศลและก็เป็นการสะสมแต้มความชํานาญให้เกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นด้วยาศาศการน้อมักการขอบพระคุณทา่านภัยบูลไปแล้วทีนี้ก็จะลาท่านฟังนะคะทุท่าสวัสดีคะ่ะ